36อุปปาลิทาระกะวัตถุว่าด้วยเด็กชายอุบาลีบรรพชาข้อ99าสบ้สมัยนั้นในกรุงราชครึกมีเด็กชายผู้เป็นเพื่อนกันส7จคนเด็กชายอุบาลีเป็นหัวหน้าของเด็กเหล่านั้นครั้งนั้นมานดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้ปรึกษากันดังนี้ว่าเมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบาย และไม่ลำบากด้วยวิธีใดหนอลำดับนั้นมารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้ปรึกษากันอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนเขียนหนังสือด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากแต่ก็วิตกไปว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนเขียนหนังสือนิ้วมือจะระบมถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคนวณด้วยวิธีอย่างนี้ เมื่อพวกเราร่วงรับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลําบากและวิตกอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีจะเรียนวิชาคํานวณก็จะแน่นหน้าอกถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาเกี่ยวกับการเงินด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงรับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลําบากแล้วก็วิตกอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาเกี่ยวกับการเงินในตาเขาจะปวด พระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิดชิดถ้าเจ้าอุบาลีได้บวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลําบากเด็กชายอุบาลีออกบวชเด็กชายอุบาลีได้ยินคําสนทนาของมารดาบิดาครั้นแล้ว เด็กชายอุบาลีจึงได้ไปหาพวกเด็กๆถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพวกเด็กๆ เ, เหล่านั้นดังนี้ว่าเพื่อนทั้งหลายมาเถิดพวกเราจะไปบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรเด็กเหล่านั้นกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยถ้าเจ้าบวชพวกเราก็จะบวชเช่นกันครั้นแล้วเด็กๆ เ, เหล่านั้นต่างคนต่างก็เข้าไปหามาดาบิดาของตน แล้วได้กล่าวขออนุญาตดังนี้ว่าพ่อแม่โปรดอนุญาตให้พวกลูกๆออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเถิดมารดาบิดาของเด็กเหล่านั้นอนุญาตด้วยคิดว่าเด็กพวกนี้ต่างพร้อมใจมีความปรารถนาสิ่งที่ดีงามทุกคนพวกเด็กเหล่านั้นจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายให้เด็กเหล่านั้นบรรพชาอุปสมบทแล้วครั้นเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ภิกษุใหม่เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ข้าวต้มโปรดให้ข้าวสวยโปรดให้ของเคี้ยวภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายรอให้สว่างเสียก่อนถ้ามีข้าวต้มพวกเธอจะได้ฉันถ้ามีข้าวสวยพวกเธอจะได้ฉันถ้ามีของเคี้ยวพวกเธอจะได้เคี้ยวแต่ถ้าข้าวต้มข้าวสวยหรือของเคี้ยวไม่มีพวกเธอต้องเที่ยวบินทบาตมาฉัน ภิกษุใหม่เหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังพากันร้องให้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ข้าวต้มโปรดให้ข้าวสวยโปรดให้ของเคี้ยวเถิดพากันถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างรถเสนาสะนะพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีได้ทรงสดับเสียงเด็กครั้นได้ทรงสดับแล้วจึงตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า อ น, นเสียงเด็กร้องไห้เพราะเหตุใดหรือที่นั้นท่านพระอ น, นุลได้กลาบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ